มาอาตมารู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งกเกษียไปได้หลายปีแล้วท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันสาม0ิี่ีที่แล้วไปเรียนทำปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกา ช่วงนั้นเนี่ยก็มีพระธิดารวมเถึนได้รับนิ ม, มนต์จากธรรมชาติไรให้มาสแสดงธรรมดัง น, นั้นคนอเมริกันยังไม่ค่อยรู้จักพระธิดาหรือพุทธศาสนาแบบวัชรยานฉลัยในเหมือนตอนนี้ตอนนี้นี่หนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาพระธิดามีเคยแพร่มากมายทั้งใน ร้านหนังสือทั่วไปแล้วก็ร้านหนังสือของหมอเทลยัยแต่แกก็รู้จักเทลัยลำมักเชิดเกียนทุ่มปัดแต่สามสสี่สิบปีที่แล้ว็มค่อยมีคนรู้จั ก, กนี่พรานนิมนต์พระที่เดชมาตามมาเทลัยก็มาติดต่อให้อาจารย์ท่านนี้ซึ่งตั้เป็นทีน่ท ร, ราบระยะเองไปเชื่อป็นอุปทาน ก็เห็นว่าเป็นคนเอเชียด้วยกันคงจะเข้าใจกันดีที่เรียนอาจารย์ท่านนั้นเป็นคนคริสต์นะแต่ทั้งัจัยกว้างก็ไปช่วยเป็นบุปทาดูแลต้อนรักพระธิดตท่านนี้ประมาณสามสี่วันจากการที่ได้ใกล้ชิดกับพระธิเดตท่านนี้ก็เริ่มใสในปฏิปทา เนี่ยาความสงบของท่านสงบแบบผ่อนคลายนะไม่เครงเครียดมีอารมณ์ขันนะเป็นกันเองแต่ว่าก็มีความสงบอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของพระธิเบต น, นะคือไม่ขึ้นนะแต่สัมผัสได้ถึงความสงบว่าสุดท้ายเนี่ยพระธิเบตท่านก็จะกลับนะ อาจารย์ท่านนี้ก็เลยสนทนากันก็ได้ทราบว่าวัดของพระทิเบตท่านนี้เนี่ยอยู่ที่อินเดียก็คงจะทาาําธรรมศาสตร์ลานักศึาเปียงเอกคนนี้ก็เลยบอกว่าเมื่อเรียนจบแล้วได้เตรียม อ, อีกแล้วเนี่ยอยากจะ ไปเยี่ยมเยือนที่วัดท่านแลว้วอาจจะอยู่ที่วัดท่านเลยอย่างน้อก็ซักระยะหนึ่งพระที่อยู่พระถามว่าทำไมหรือนักศึกษาก็บอกว่าอยากจะไปหาความสงบที่นั่นเพราะว่าอที่เมืองไทยหรือว่ากรุงเทพเนี่ยมัน ม, มีความสมบท่านกอเลยพูด มาประโยคน์คือว่าถ้าท่านหาความสมบที่กรุงเทศไม่ได้นะไปวัดอัตมาก็ไม่พบเหมือนกันจริงท่านก็ต้อนรับนะแต่ว่าพูดเป็นข้อคิดที่ทำให้ในัศึษานี่ยสะดุดแล้วก็ทำให้ได้คิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนัศึกษาคนนี้ได้ เรียนจบปริญาเอกกลับไปสอนหนังสือที่กรุงเทพก็เลยเปลี่ยนใจนะไม่ได้คิดไปเยี่ยมเยิยนวัดของพระที่เบสท่านนั่นอีกเลยเพราะท่านเข้าใจแล้วนะว่าความสงบเนี่ยนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่มันอยู่ที่ใจมากกว่า แล้วก็ถึความสงบเนี่ยนะมันมีความสงบอีสองแบบนะอันที่หนึ่งก็คือความสงบที่หมายถึงการไม่มีเสียงรบ ก, กวนไม่ได้หมายถึงเสียงดังเท่านั้นนะไม่มีเสียงรบ ก, กวนสำหรับบางคนเนี่ยนะ เสียงดังไม่เป็นไรถ้าเป็นสิ่งที่ชอบเนะสียงดนตรีเนะสียงบรรเลงกระหึ่มนะคนที่ชอบเสียงดนตรีหรือแม้แต่เสียงแบบวงดนตรีที่เล่นแบบเฮฟวี่เนี่ยเขจะไม่รู้สึกเลยนะว่ามันดังเวลาได้ฟังเสียงแบบนี้ไม่รู้สึกเลยว่า ไม่มีความสงบแต่ถ้าเป็นเสียงเบาๆหากว่าเป็นเสียงต่อว่านะเสียงนิ้นภาตรงนี้แหละเขจะรู้สึกเลยว่ามันไม่สงบแล้วความไม่สมงบเอาความสงบแบบนี้เนี่ยความสงบคือการที่ไม่มีเสียงรบกวนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความสงบทางกายภาพก็ได้ ความสอยงางนี้นะก็หมายถึงภาวะที่ไม่มีอารมณ์มารบ ก, กวนจิตใจนะอารมณ์อาจจะเป็นความเศร้าโศกความโกรธความหุดหงิดล้วก็จะลงไปถึงความคิดฟุ้งซ่านนี่ก็ได้ความสงบแบบนี้เรียกว่าความสงบทางใจนะความสงบสองอย่างเนี่ย บางทีมันก็อิง ก, กันนะเช่นบางคนเนี่ยพอมีเสียงดังนะก็จะรู้สึกว่าเกิดความหอีกขึ้นมาในใจอันนี้หลายคนรู้สึกได้สัมผัสได้มีประสบการณ์เมื่อไม่มีความสงบทางกายภาพนะความสงบทางใจก็หายไปด้วยแต่บางครั้งเนี่ย ภาวะที่ไม่สงบใจเนี่ยก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเสียงเลยนะในบางที่บางแห่งนะไม่มีเสียงไม่มีเสียงรบ ก, กวนแต่ว่าบุคคลจะรู้สึกว่ามันไม่สงบใจอย่างเช่นหลายคนที่มาอยู่วัดอยู่ป่านะไม่มีเสียงรบ ก, กวนนะแต่ว่าก็าจะรู้สึกว่าใจไม่สงบนะ เพราะอะไรนะเพราะว่าคิดฟุ้งซ่านป่วงบ้านกลัวกลัวนั่นกลัวนี่ยิตกกระวลรอบตัวนี้สงบสงัดแต่ว่าใจไม่สงบอันนี้เห็นได้ชัด ว, ว่าความความไม่สงบใจมนะันไม่เกี่ยวกับเสียงเลยหรือรอจะรอเพื่อนเพื่อนไม่มาตามนัดนะ นัด ก, กันที่หาซื้อสินค้าหรือว่านัด ก, กันนะที่ไหน ส, สักแห่งที่เงียกมันเงียกแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยนะไม่สงบนะเพราะหุดหิดรอเพื่อนไม่มาสักทนะีอันนี้เป็นความไม่สมบใจที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งแวดล้อมเลยหรือว่าบางทีเรานั่งอยู่นะนั่งทำสมาธินั่งฟังคำบรรยาย ไม่มีเสียงรบกวนแต่ว่าจิตใจนี่นะวาวุ่นเพราะว่ามันมีเวทนามันมีทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยนะเป็นความแม่สงบที่ไร้เสียงรบกวนแต่ว่ามันเกิดนะอารมณ์นะที่มารบกวนจิตใจหรือบางทีมันมีเสียงดังในใจนะอย่างที่เมื่อวานนี้ก็ได้ในการพูดกันมันมีเสียงดังอยู่ในใจ เสียทะเลาะ ก, กันอยู่ในใจเพราะว่ามีความสับสนมีความลังเลว่าเอาอยัางไงแน่จะเรียนต่อไม่เรียนต่อนะจะอยากไม่อยากเสียงมันทะเลาะ ก, กันหรือว่าจะลาออกไม่ลาออกมันมีเสียงทะเลาะ ก, กันอยู่ในหัวในใจนใครที่เจอแบบนี้ก็จะรู้สึกเลยวนะ่ามันไม่สงบใจถึงแม้ว่าไม่มีเสียงรบกวนเลยแน่นอนว่าถ้าเปความสงบแล้วเนี่ย หลายคนคงไม่ได้ต้องการแค่ความสงบทางกายภาพแต่ต้องการความสงบใจนี่ความสงบใจมันก็มีอยู่สองประเภทนะเมือ่อวานนี้ก็ได้พูดไห้บังแล้วนะความสงบอย่างแรกคือสงบเพราะไม่รู้หรือสงบเพราะตัดการรับรูนะ้เช่นไม่ได้ยินเสียงดัง หรือว่าไม่ต้องรับรู้ข้อมูลทางสารนะพอเราไม่ได้เอาโทรศัพท์มานะแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ฟังวิทยุโทรทัศน์ใจก็พลอยจะสงบได้ง่ายหลายคนก็ต้องการความสงบด้วยวิธีนี้ก็ไปเก็บตัวอยู่ในป่าหรือว่า ไปอยู่ในห้องแอร์นั่งทำสมาธิหลับตาการหลับตานี่ก็เป็นการตัดการรับรู้นะไม่ต้องรับรู้อะไรนะใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่รู้ไม่เห็นอยู่ในห้องแอร์ก็ปิดเสียงนะไม่มีเสียงรบกวนนะหรือว่าห้ามคนมามาหามาพูดคุยพอไม่พูดไม่คุยนะมันก็เหมือนกับว่าการรับรู้ ก็ถูกตัดขาดไปในระดับหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะอารมณ์ที่เคยรบกวนก็ค่อยนะซาลงนะหลายคนนะคุ้นเคยกับความสงบประเภทนีนะ้เพราะในเวลามาทำสมาธิก็อยากจะนั่งหลับตาหรือว่าอยากจะปฏิบตัติในห้องแอร์ติดแอร์ ถ้าไม่พอก็ยังยังบอกให้ใครต่อใครอย่าส่งเสียงรบกวนรวมถึงว่าไม่ต้องออกไปเจอผู้คนนะพอเจอผู้คนแล้วมันรับรู้อะไรหลากอารมณ์หรือว่าไม่ต้องไปทำงานด้วยซ้ำใจก็สงบได้พอถ้าไปทำงานเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความหงุดหงิดขึ้นมานะเกิดความรำคาญขึ้นมาใจไม่สงบ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปัดการรับรู้นะไม่ต้องรับรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายนะแล้วคงเหลือแต่การรับรู้ทางใจอยู่ธรรมาลมแต่ความสงบแบบนี้นี่มันมันเปราะบางนะเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนนะที่จะปราศจากเสียงรบกวน นะไปตลอดแลนะ้แต่อยู่เก็บมาเก็บตัวอยู่ในวัดนะบางทีก็จะมีเสียงนะดังเข้ามาเสียงรถยนต์เสียงก่อสร้างนะหรือว่าเสียงจากหมู่บ้านะบางทีก็มีงานศพนะมีหมหรัศบศพนะก็ส่งเสียงดังเข้ามาถึงในวัดนะ หลายคนพบความสงบเวลาอยู่ในห้องแอร์นะแต่ว่าก็ต้องออกมาออกมาเพื่อทำงานเพื่อเจอผู้คนนะพอเจอเสียงรบกวนเข้าหรือว่าคนได้รับรู้อะไรต่างๆเข้าเปิดโทรศัพท์มือถือหัวข้อความไลน์มาเทมาเป็นร้อยนะ c e b o o k อ่านไปก็เกิดความหมิดไปเห็นหน้าคนที่ไม่ชอบเห็นหนักการเมืองที่รังเกียจนะจิตใจก็รุ่มร้อนนะวาบุ่นขึ้นมาความสง ม, มันก็หายไป ท, ทันทีหรือว่าบางทีเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจนะอย่างที่เราเนี่ยนักปฏิบัติธรรมไปเข้าคอรนะ์สสงบมากนะตั้งแต่ชอบจดเย็น พอคอสตนะิจบลงมาจากศาล า, าปฏิบัติธรรมจะขับรถกลับบ้านพอให้รถของตัวเนี่ยนะออกไม่ได้เพราะว่ามันมีรถอีกคันมันจอดซ้อนก็โปรธ น, นะคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็โวยวายนะเรียกว่าหมดสภาพสติแตกไปเลยนะ อันนี้เพราะว่าไปาไปเจอกับสิ่งที่ไปเจอกับภาพไปเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจตนะั้งความสงบใจที่อุตสาห์นะสะสมมามันก็ระเบิดหายไปให้เราจะพึ่งความสงบดังนี้ก็ไม่ได้นะความสงบที่เกิดจากการไม่รับรู้หรือปัดการรับรู้นะ แต่ถึงขนาด น, นี้เราก็ยังสามารถจะเข้าถึงความสงบอีประเภทหนึ่งได้ความสงบใจประเภทที่สองคือสงบข้อรู้นะรู้รู้ในที่นี้หมายความว่าได้เห็นได้ยินนะแต่ว่าใจก็ไม่เป็นไม่เป็นทุก์รบรู้นะรู้ทางตาเสียงทางหู แต่ว่าก็ไม่มีอารมณ์มารบกวน จ, จิตใจอันที่ทำได้นะนจริงอยู่นะพอตากระทบรูปเนี่ยนะปกติคนธรรมดาก็ใจก็เพื่มแลฟูได้ยินเสียงนะถ้าเป็นเสียงที่ชอบก็ฟูถ้าเป็นเสียงที่ไม่ชอบก็แฟดไอ้ฟูเนี่ยนะไม่เป็นไรแต่พอแฟดหรือว่ า, าเกิดอารมณ์มารบกว ข, ขึ้นมาในตะอนนี้ละเรียกว่าไม่สงบ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติรู้ทันนะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะมันก็ทําให้อารมณ์นั้นเนี่ยมันดับบุกลงไปได้หรือว่าถ้าหากว่าเรามีสตินะีที่หนะูเวลาหูได้ยินเสียงเนี่ยเสียงมันก็มายุดที่ตัวรู้นะมันก็ไม่ทะลุต่อมาทีา่ใจของเราได้ อยที่บอกไว้แล้วว่าเสียงจริงมันไม่เป็นปัญหานะปัญหาคือใจที่ไม่ชอบเสียงนั้นนะใจที่ไปทะเลาะเบาแว้งกับเสียงนั้นนะหรือว่าที่เล่าเรื่องหลวงปู่บุตรตามนะที่ท่านเกิดนลูกสิษว่าเนี่ยอยา่ากูัไปรองเกลียดอันะ น, นีมน้มันชี้เห็นว่าความทุกข์ความทุกข์นะกใจนะมันเกิดขึ้น เมื่อไม่มีสติไม่มีสติไปรู้นะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีสติรู้ทันใจนะที่ไปเรียกว่าแสาหาเรื่องก็ไดนะ้ใจที่มันชอบทะเลอะเบาแรงกับกรูรดกิ่นเสียงสัมผัสที่เข้ามากระทบนะีพู้ง่ายคือว่าถ้ า, ามีสติรู้ทันอารมณ์นะที่เกิดขึ้นในใจนะ อารมณ์นั้นมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใจก็กกเพิ่มสักพักแล้วก็ใจก็หยุดนะเพราะรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดปรุงแต่งบ่อยครั้งความไม่สงบใจเ <c oughs> กิดจากความคิดนะที่มันว้าวุ่นคิดไปอดีตาาบ้างอนาคตบ้างและการคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยเพราะความเผลอแต่ถ้ามีสติรู้นะมันก็มันก็ไม่คิดต่อ นะจิตก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันะอันนี้เรียกว่าสงบนะเพราะว่ามันไม่มีอารมณ์รบกวนแล้วนี่เรียกว่าเป็นความสงบนะเพราะรู้นะหรือสงบทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ก็คือเสียงก็ได้ยินนะรูปก็ด้เห็นนะได้อ่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะข่าวเครื่องบินตกนะ หรือว่าพุ้นตกนะหรือว่านะักการเมืองทะเลาะ ก, กันนะให้สัมภาษณ์นะยังไม่มีเหตุนี้เหผลนะเราฟังก็ใจจะเพื่มสักพักนะก็รู้ทันนะมันก็วางได้ในความสงบเชนนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่เราน่าจะสนใจน่าจะให้ความสนใจนะเพราะว่ามันเป็นความสงบที่ไม่อิงสถานที่นะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่นะจะอยู่วัดหรือว่าจะอยู่ในเมืองอยู่บนท้องถนอนอยู่ในที่ทำงานนะอยู่ที่บ้านก็สามารถจะสมบไดนะ้บางครั้งเนี่ยเจอคนนะพูดถ้าเป็นสมัยก่อนก็พูดไม่ให้ถูกหูนะพูดผิดหูถ้าไม่มีสติก็โกรธไม่พอใจหรือใครทำอะไรที่นะ มันไม่ถูกต้องก็โกรธขุ่นเครงบางทีก็โกรธเป็นวันนะโกรธเป็นอาทิตย์โกรธเป็นเดือนอันนี้พ่อไม่รู้ตัวคนเราเนี่ยมเมื่อใดก็ตามที่มีความทุกข์ใจนะให้รู้เลย ว, ว่านั่นเป็นเพราะความไม่รู้ตัวจิตมันไปนแบกบถ้ารู้ว่าใจมันแบกนะมันก็จะวางได้ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแบกไม่รู้ว่าแบกนะถ้าหน้าที่ทุกข์ก็ยังไปโทษนะสิ่งที่แบกเช่นก้อนหินเนี่ยนะมันหนักนะพอแบกก็บ่นขึ้นมาเลยโอ้หนักหนักหนักนะแล้วก็ไปโทษก้อนหินแต่ไม่ถามตัวเองว่าเราแบกทาไมนะไอตอนแบกนี่ไม่รู้ตัวนะ รู้แต่ว่ามันทุกข์มันเหนื่อ ย, ยนะแต่พอ ร, รู้ตัวมีพอมีสตินะมันวางเลยมันวางทันทีนะและในการที่มีสติรู้ทันเนี่ยนะมันช่วยทำให้ใจเนี่ยสงบใจนิ้เบานะไม่เผลอแบกเคยมีในตำรวจท่านหนึ่งนะประมาณสักส0มสิบสี่สิบปีที่แล้วนะ ไปหาหลว ง, งพ่อชาที่วัดนองกระพงแล้วก็บนระบายมีความทุกข์มากในที่ทํางานเพราะว่าตัวนี้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะแต่ว่าเจ้านายแล้วลูกน้องนี่นะไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่เจ้านายก็กันแกล้งการทํางานก็ไม่เจริญก้าวหน้าตําแหน่งก็แพ็กนะส่วนเพื่อโรงงานก็คอยเรื่อยขาเข้าอีนะ้เพอไม่ได้ ลูกน้องก็ใส่เกียร์ว่างก็มาบนมาระบายหลวงพ่อชาฟังก็นานประมาณครึ่ชั่วโมงได้หลวงพ่อชาท่านก็ฟังท่านก็ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้แนะนําอะไรจนกระทั่งนะในตำรวจเท่า น, นั้นระบายเสร็จหลวงพ่อชาก็ชี้ไปที่ก้อนหินที่หน้าประติเอาห็นก้อนนั้นเห็นก้อนหินก้อนก้นนั้นหเห็นครับ หนักไหมหนักครับแบกบไหวไหมแบกบไม่ไหวแล้วครับเออทำไมเราตีอับแบกมันนะพอพูดแค่นี้เนี่ยในตัวฉัานาก็ได้สติเลยเนะก็คือได้คิดเลยเนะว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะปัญหาไม่ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่สาเหตุที่ทาให้ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะปัญหามีมากจ้าลายกันแกล้งนะแต่เป็นเพราะไปแบกปัญหาปัญหา ปัญหาเนี่ยทาให้ทุกข์แต่พอแบบปัญหาต่ า, างๆที่ทําให้ทุกข์ใจก็เหมือก้อนหินนะะก้อนหินเนี่ยถ้าไม่แบกบมันก็ไม่ทุกข์นะไม่เหนืยแต่พอแบกเสร็จมันทุกข์ด้วนี้มันทุกข์แล้ว ท, ทำไถึงแบบก็เพราะไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีสติรูท้ทันปุ๊บนี่มันวางเลยนะ mm hmm. เ, เพราะฉะนั้นการมีสติรู้ทนันนะความคิดและอารมณ์เนี่ยมันเป็น ปัจจัยสำคัญมากที่ทําให้เราได้พบความสงบใจเนื้อสงบเพราะรู้เพราะนี้การรู้เนี่ยนะมันรู้ได้ด้วย2 อ, อย่างนะคือ1รู้ด้วยสตินะสรู้ด้วยปัญญาปัญญานที่งหมายถึงการเข้าใจความจริงนะาการเข้าใจความจริงก็มีหลายระดับนะนะนะเช่นเข้าใจความจริงของโลกธรรมโลกธรรมแปนะ รู้ว่ามีรากนะกับเสื่อมรากมันคู่กันได้ยอกับเสื่อมเยอะนี่มันคู่กันสารเถืนกับดินพายนี่มันคู่กันนะเมื่อมีแล้วนะก็ต้องหมดนะเมื่อเจอก็ต้องจากเมื่อพบก็พลากนีมันไปคู่กันเสมอมันกับขวากับซ้ายหรือว่าหน้ามือกับหลังมือเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้เนี่ยนะ เวลาเจอคนเขาชมก็ไม่เลยเลิ้งนะเวลาเขาตาหนิก็ก็จะไม่ทุกข์อันนี้เพราะว่าเป็นธรรมดา <Yeah. S 1> เวลาถูกนินทาเนี่ยนะแทนที่จะโวยวายนะก็เฉยเพราะรู้ว่าไม่มีใครที่ไม่มีไม่ถูกนินทาในโลกนี้นะทําก็ถูกนินทาไม่ทําก็ถูกนินทาทาถูกก็ถูกนินทาทําทผิด ก, ก็ถูกนินทาไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อรู้ความจริงเช่นนี้เนี่ยก็ไม่ทุกขนะ์ไม่หวั่นไหวหรือว่าเวลาเจ็บเวลาป่วยนะก็รู้ว่ามันเป็นธรรมดานะความเจ็บป่วยจะเป็นธรรมดาโลกในการเข้าใจหรือเห็นความจริงแบบนี้ยมันทําให้ไม่เกิดความเสียใจยไม่เกิดความโกรธเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นปกติได้เห็นความจริงรอาจารย์เห็นความจริงมไปถึงขั้นเข้าใจเรื่อง หลักนึกจำทุกขงังอนัตาตาเข้าใจว่าเนี่ยทุกอย่างนี่มันลดแต่ไม่เที่ยงมันทนได้ยากมันจะไม่ได้ทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอันนี้ก็เป็นความจริงที่ลึกซึ้งมากแต่ถ้าเข้าใจความจริงแบบนี้เนี่ยนะมันก็ทําให้ไม่ยึดติดถือมา่ตั้งแต่แรกเขารู้ว่าอะไระก็ไม่เที่ยงรู้ว่าจริงถ้าควรเป็นทุกข์แล้วจะแบกมันไปทําไมนะ การรู้ความจริงแบบนี้นทำให้ไม่ยึดติดหรือมั่นนะไม่ยึดว่านี่เป็นของเรานะไม่ยึดว่าตัวกูของกเูเพราะฉะนั้นเวลาของหายนะหรือว่างานไม่สำเร็จนะไม่เป็นไปตามแผนก็ไม่ได้ทุกอะไรเพราะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะบังคับบัญชาอะไรได้ เวลาเจ็บป่วยก็เหมเวลาแก่ก็เหมือนกันนะเพราะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเนยเมื่อคนแกนะ่ก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้จะติดมันทั้งแต่แรกความรู้นะด้วยปัญญานี่นมันทำให้ปล่อยวางได้นะอาจจะเปลอยึดแต่พ อ, อได้สตินะเกิดปัญญาขึ้นมามันก็วางนะหรือว่าบางคนเนี่ย จัแจ้งในความจริงก็ไม่ยึดทั้งต่แรกไอ้การเห็นความจริงแบบนี้มันทำให้ไม่มีกิเลส น, นะมันทำให้ตัณหาละวิชามันดับไปถ้ารู้อย่างถึงที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่านะมันไม่มีอะไรที่จะมามาขยาวิวจิตใจให้เกิดอารมณ์นะที่จะมารบ ก, กวนจิตใจได้ <c oughs> การเห็นการที่รู้ด้วยปัญญาเนี่ยมันทำให้กิเลสอวิชชาไม่มีที่ตั้งนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ามาเป็นควาสมสงบที่ลึกซึ้งมากเพราะว่าไม่ใช่แค่ไม่มีอารมณ์รบกวนจิตใจนะแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันก็ไม่รบกวนจิตใจด้วยซ้ําอันนี้เียกว่าสงบอย่างแท้จริงนะใจสงบอย่างแท้จริงเรียกว่าไม่ไม่มีความไม่มีความว้าวุ่นนะในจิตใจเลย แต่สาหรับประชานอย่างพวกเราเนี่ยนะการที่เห็นความจริงแบบทะลุผัวผปวแบันนี้ก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าการที่เราได้เห็นความจริงแบบประทินประพายอยู่บ้างนะเช่นได้เห็นความจริงเรื่องโลกธรรมแตนะมันช่วยเตือนใจเราหรือว่าเตือนใจเราอยู่เสมอว่านะเรามีความแจ่เป็นธรรมดานะจะลดลงความแจ่ายไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาด้วเพราะความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพาดจากของรั่ของชอบใจทั้งนั้นการเตือนนะเตือนใจเตือนเนี่มันทําใหนะ้เวลาเจอเหตุการณ์ที่มากระทบกายนะทําให้เจ็บป่วยหรือว่ามลกระทบทรัพย์สมบัติทําให้สูญหายพัดพลากไปนะใจก็ไม่ทุกขนะ์มันก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจหรือว่าความโกรธแค้นที่จะมารบ ก, กวนจิตใจให้ ให้ว้าวุ่นได้อันนี้ก็เป็นควาสมสงบนะเพราะรู้นะรู้ด้วยปัญญานะการรู้ด้วยปัญญาเนี่ยจะรวมไปถึงว่ารู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยนะที่จริงเนี่ยมันเป็นแค่สมมตินะมันไม่มีอะไรนอกจากกายกับใจนะมันไม่มีตัวเรานะหรือไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นเราได้เลย เพราะฉะนั้นเวลากายปวดกายเจ็บนะก็จะไม่ใจก็จะไม่เป็นทุกข์นะแต่เพราะส่วนใหญ่เนี่ย ท, ที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปยึดว่าไปยึดเอาความปวดของกายว่าเป็นความปวดของกูมันไม่ใช่แค่กายปวดนะแต่กูปวดมันไม่ใช่แค่กายเจ็บนะกูเจ็บ ด, ด้วยมันมีตัวกูเป็นเจ้าของนะทุกขเวทนา น, นั้นหรือว่าเป็นผู้เสร็จสวยเวทนาแล้นนี้พูดแบบภาษาธรรมะนะ เป็นผู้สวยเวทนานะก็คือประยิ์ว่านะกูเป็นมีกูพูดเจ็บมีกูผู้ปวดขึ้นแต่ถ้าเห็นความจริงว่ามันไม่มีกูตั้งแต่แรกเลยนะนะเวลากายปวดนะมันก็ปวดแต่กายนะใจก็ไม่ได้ปวดด้วยนะเวลากายเจ็บใจก็ไม่ไดเจ็บ ด, ด้วยถ้ามีเรื่องราวอ่ะหลวงปู่กุฎาเนี่ยเคยได้รับนิมนต์ให้ไปฉันมีที่หนึ่งนะก็มีพระตาไปเป็นคณะเลย ต้องบอกว่าอาหารที่โยมถวายเนี่ยมันมีทิศนะอาหารเป็นทิศพระทั้งคณานี่ก็อาจเจียนเป็นแถวเลยในสถาที่พระหนุ่มๆ น, มนี่อาจเจียนจนหมดแรงนอนหมดสภาพเจริญผููบุดานี่ท่านยังสามารถที่จ น, นั่งคุยกับโยมได้คุยซักพักเดี๋ยวท่านก็อาเจียนออกมาเสร็จแล้วก็นั่งคุยกับโยมต่อ คนก็แปลกใจว่าหลวงปู่ทำได้ยังไงนะข้าหนุ่มๆนี่หมดสภาพไปแล้วหลวงปู่ท่านอธิบายว่าเนี่ยร่างกายของฉันนี่ก็สักด์แต่ว่านะมันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเวลาเจอยาเบือเบ่อยาหมอกก็เป็นอย่างนี้แหละคืออาจจเจียนแต่ว่าใจมันไม่ได้โดนด้วยนะใจไม่ได้โดนยาเบื่อนะมีแต่กายที่โดนยาเบือ่อเพราะฉะนั้นใจใจยังเป็นปกติได้นะ มีอะไรเกิดขึ้นกับกายใจก็เป็นผู้ดูเฉยๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่เห็นไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถทํานั้นได้เพราะว่ามันจะยึดว่ากายนะเป็นเราเป็นของเราหลวงปู่ที่ท่านเห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราทั้งนั้นทั้นตัวนี้ก็มีแต่กายกับใจนะไม่มีอะไรที่เป็นเราไม่มีตัวเราที่ไปสอดไปแทรกเป็นเจ้าของกายและใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากายปวดมันก็ เป็นเรื่องของกายปวดไปนะใจไม่ได้ทุกข์กันอันนี้เขาเพราะท่านเข้าใจความจริงเรองรูปนามฉะนั้นเรนาเนหะ็นได้ว่าถ้าว่ารู้โดยปัญญาเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นนะกับกายอะไรเกิดขึ้นกับงานการอะไรเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัตินะมันก็ไม่มีอารมณ์มามเขย่าให้ใจมีเป็นทุกข์หรือว่าใจเนี่ยว่าวุ่นได้ อันนี้เราว่าเป็นความสงบใจอันประเสริฐนะหรือว่าเป็นความสงบอันประเสริฐก็ได้ฉะนั้นถ้าเราปรารถนาความสงบใจนะต้องพยายามนะพยายามที่จะนะเข้าถึงความสงบชนิดนี้ให้ได้เริ่มตันเดกสมบเพราะรู้ด้วยสตินะและต่อไปเนี่ยในการเจริญสติ บ, บ่อยๆนี่ทำให้เราสงบจะททำให้เราเกิดปัญญา ทีนี้ก็จะสามารถจะสงบได้เพราะรู้ด้วยปัญญาเพราะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถรือมั่นได้ไอ้ความรู้แบบนี้ทําให้กิเลสตัณหาเนี่ยมันมันไม่มีที่ตั้งนะมันก็ดับไปพอกิเลส ด, ดับไปไอ้การที่จะถูกกิเลสรบกวนนะมันก็ไม่มีต่อไปคนเราเนี่ยถึงถ้าเรื่องยัมีกิเลสอยู่นะยัง ม, มีตัณหาอยู่นะอารมณ์ ที่ดับไปเนี่ยก็เป็นแค่ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวี่เลมันก็ก่อกวนใหม่มันปรุงอารมณ์ขึ้นมามาก่อกวนจิตใจนะก็ทำให้ไม่สงบการปฏิบัตินะการเจริญสติเนี่ยมันจะเป็นทางตรงนะทางเอกที่จะทำให้มีสติรู้ทันนะทำให้อารมณ์นะไม่มารบกวนใจ และต่อไปก็จะเกิดปัญญาจนกระทั่งกิเลสตัณหาก็รบกวนจิตใจไม่ได้อันนี้ทางภาครียว่าปุตติวิเวทนะชาติสงบใจธรรมดาเรียกว่าจิตตวิเวทนะส่วนถ้าสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีเสียงรบกวนจะเรียกว่ากายวิเวทนะคนเราเนี่ยอย่าอย่าอย่าแสดงหาแต่แค่กายวิเวทนะหรือความสงบทางกายภาพนะ ต้องพยายามไปให้ถึงจิตวิเวกนะคือการที่ไม่มีอารมณ์มารบ ก, กวนจิตใจและจะใช้ดีเนี่ยก็พัฒนาจิตจตนถึงขั้นว่ากิเลสนี่ก็ไม่สามารถจะรบ ก, กวนจิตใจได้ค่ามิวพุทธนีนะอากาศ